พระธรรมเทศนาการ น, นี้ท่านพระอาจารย์มหาบุญญาณสัมปโนแสดงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2547ณวัดป่ามันตัจังหวัดอุดรธานีมั น, นท่านที่เป็นนักบุ ญ, บญตัง เอกษาพยายามมาจากสถานที่หา่างไกลจนเข้ามาสู่สถานทีอ่อันเป็นแดนแห่งป่าโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากในหนทางและความที่เที่องแห่งทรยบสมบัติมากน้อย มุ่งต่อธรรมะคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะบาเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะของท่านจึงเป็นกินนาตนุอนุโมทนาอยยิ่งหากมาองค์สมเด็จ พ, พระภูมิพระทายเจ้า ท่านดังทงพระชนดูก็จะลงมนโนธนาสาธุการกับท่านทั้งหลายไม่ น, น้อยเลยเพราะการแสวงหาธรรมะยอมเป็นการฝืนความที่เคยเป็นมาของใจเป็นธรรมดา ข อ, ของใจย่อมเป็นไปตามความเคยชินของคนไม่ว่าทันหรือเราการแสวงหาธรรมะการอบรมธรรมะจึงเป็นการฝืนกติของใจที่เคยเป็นมาเช่น น, นั้นและมีความยิ่งดอยู่บ้างเป็นธรรมดา ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ไม่สุดมิสัยของผู้มีความมุ่งสัและขยันหมั่นเพียรจิตใจย่อมจะมีความเจริญขึ้นไปตามแถวแห่งธรรมเป็นลำดำับอย่างการบาเพ็ญของแต่ละท่านแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า ก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็อย่างฝืนคติธรรมดาเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นก็เป็นพระศาสดาของสัตว์ไม่ได้ การอุดกลเพื่อเราเองเราจะได้คิดถึงเรื่องอำนาจวาสนามากน้อยนั่นคืออุปสักษ์จีดขวางทางเดินของเราไมา่ทาเนินไม่ดำเนินด้วยความสะดวกแลาวจะเทียบเพียงถึงความที่เราเคยเป็นมาเคยทำมาในจิตการทั้งหลายถ้าเราทำจิตการงานใด เราถือเป็นข้อขัดข้องหรือเป็นภาระเรื่องหนักใจแล้วกิจการงานนั้นๆจะสาเร็จลุล่วงไปได้โดยวความสะดวกย่อมเป็นไปได้ยางแต่เมื่อเรามุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจการงานที่ชอบนั้ น, น, นแล้วทำลงไปด้วยความขายันหมั่นเพียรผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นลำบับ ็นถึงความสำเร็จได้การอบรมคุณงามความดีเพื่อเราเองก็ปวดได้เทียบเียงกันเช่นนั้นหากว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่มีคุณค่า <c oughs> เช่นเดียวกับกวดกับทรายแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นความลำบากเพราะกวดทรายมีอยู่ทุกแขกทุกคน แล้วก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นของอัศจัรย์อะไรแต่นี้ธรรมะไม่ใช่กวดซายพอที่จะหยิบเฉยได้ตามต้องการเพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณค่าิ่งยกว่ากวดทายเหล่านั้นผููแสวงหาจึงจำเป็นต้องทำความอุตสาหพยายามขั้งแรกก็ต้องฝืน ฝืนทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญกุงามความดีไม่เพียงแต่จะฝืนในทางอบรมจิตใจโดยเฉพาะแม่คิดอื่นที่เกี่ยวกับการกุศลก็ต้องมีการฝืนต่อเมื่อได้รับการอบรมมีการฝ่าฝืนทำไปอยู่เรื่อยๆจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นจิตธรรมดาไป ในมีความฝา่าฝืนให้ลำบากลมบงทาไปได้เป็นประจำเรื่องของการอบรมใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะใจที่ยังไม่เคยอบรมเราจะทําให้ได้อย่างใจของเราทีเดียวพยายอมเป็นการะหมากต่อเมื่อได้อบรมเสมอจิตใจก็จะมีความเคยชิน คุ้นกับงานของตนที่ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายเพราะจิตมีความเคยกินต่องานประเภทนั้นแล้วนี่เป็นหลักสำคัญสนหลักผู้จะพยายามบำเพ็ญตนให้รับความสุขทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขเพราะการอบรมธรรมะแล้ว แม้จะประกอบการงานภายนอกก็กลายเป็นความสบายไปตามกันเพราะหลักใหญ่ขีดใจที่จะรับภาระในกิจการนั้นๆมีความสบายภายในตัววิธีการอบรมเบื้องตน้นรดถือหลับ ธรรมะเป็นที่พึ่งพิงของใจเรามีจดิตนิสัยชอบกับธรรมบทใดมีอนาปานสติเป็นต้นเราก็นำธรรมบทนั้นเข้ามาพยายามทำใจของเราให้มีความรู้สึกกลมกลืนกันกันกบธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆใจเมื่อได้รับรู้กับธรรม ที่กำกับตอนอยู่และสืบต่อกันไปเป็นลาดับลาดับแล้วจะค่อยถอนจากความกังวลในสิ่งต่างๆแล้วรวมจิตความรู้เข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมมีอนาปานาสติเป็นต้นจากนั้นก็จะรวมเข้าเป็นองค์ ของจิตตัวเฉพาะชื่งไม่เกี่ยวกับบทธรมรมคืออนาปานาตินั้นอีกเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตมีความสงบคือปล่อยวางสิ่งที่พึ่งพิงนั่นได้กลายเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าจิตตรวมก็ได้เราจะเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตเมื่อได้ กลายมาเป็นตัวของตัวเองแล้วยอมมีความสุขความยือกเย็นภายในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรในขณะนั้นและเห็นความสุขประจักใจที่เกิดขึ้นจากงานซึ่งตนกระทำมาด้วยความลำบากยากเย็นมีการบังคับจิตใจเป็นต้นนี่เป็นวาระแรกของการบำเพ็ญ และเป็นผลที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ธรรมะเป็นสักขีพยานภายในใจคือความสงบนี้แล้วในวาระต่อไปก็พยายามทำตามที่เคยทำมาแต่โปรดอย่าได้เป็นหมายอารมณ์คือความสงบของตนที่เป็นและผ่านมาแล้ว มาเป็นอารมณ์ของใจขอให้มีหน้าที่บำเพ็ญหรือทำความรู้สึกอยู่กับบทธรรมที่ตนทาซึ่งเคยปรากฏผลมาแล้วนั้นด้วยดีใจเมื่อได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เช่นนี้ก็จะรวมลงเป็นตัวของตัวเองอีก เช่นที่เคยเป็นมาลักษณะของจิตที่รวมลงมาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะนั้นมีระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างคือรวมได้นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็ถอนขึ้นมา ขานาจิตที่รวมลงอยู่เช่นนั้นมีความรู้อยู่จำเพาะอันเดียวไม่เกี่ยวกับบทธรรมใดๆและไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยมีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิภูบำเพ็นได้ปรากฏผลเช่นนี้ เป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมันในผลที่สูงขึ้นไปกว่านี้และเพิ่มศรัทธาการบําเพ็ญจะให้มีความขยันมันเพียรยิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำหนำับมีเป็นเป็นผลที่จะเพิ่มกําลังศรัทธาเบื้องต้ น, เ ป, นเป็นเช่นนี้ เรื่องอำนาจวาสนาตรวจยาได้ไปเกี่ยวข้องถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปรสรรคต่อการดําเนินของตนวาจนาแปลว่าทําเป็นเครื่องดยทําำคนนี้เทียบกันได้กับเราทําบ้านทําเรือนเมื่อปลูก บ, บ้านขึ้นมาบ้านก็ต้องเป็นที่ดีของเราสร้างวัดขึ้นมาวัดก็เป็นที่อยู่ทำอะไรขึ้นมา สี่นั่นก็ต้องเป็นที่อาศัยของเราเรื่องวัสนาก็เกิดขึ้นจากการอบรมมาเหมือนกันกลายมาเป็นธรรมเครื่องอยู่นี้เป็นเครื่องอาศัยของเราการทำทุกๆประโยคแห่งความเพียรหรือความดีของเหล่านั้นจึงเป็นการเพิ่มอำนาจวัสนาให้แก่ตัวของเราเอง เพมีกําลังกล้าขึ้นไปเมื่อกําลังของจิตร่าขึ้นไปวาสนาของเราก็มากคือทําเครื่องอยู่ของเราก็มีมากจะพูดถึงเรื่องความส ง, งบก็ส ง, งบได้มากพูดถึงขั้นปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปมากและมีความละเอียดรอบรู้ แม้ในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าเป็นผู้มิวาสนามากเพราะการบำเพ็ญไม่เช่มากโดยความคาดคะเนหรือว่าภาพออกเฉ ย, เยหากว่าจะเป็นขึ้นได้โดยเหตุนั้นแล้วทุกๆคนก็ไม่จำเป็นจะต้องบากบัน่นทำความพยายามสร้างตัวเองด้วยความดี สิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นภาพขึ้นมาตามที่เราว่าและได้ตามต้องการด้วยนี่ให้เราทําความมั่นใจไว้ว่าเราเกิดมาในชาตินี้เต็มภูมิแห่งมนุษย์แล้วจะให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่มนุษย์ต่ํากว่านี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ภูมิของมนุษย์แค่ที่เราเป็นอยู่นี่ด้วยกันทุกๆท่านนี่คือภูมิแห่งมนุษย์ ภูมิอย่งธรรมะที่เราจะทําให้ยิ่งขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสั่งสมเช่นเดียวกับเราสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเป็นอํานาจวาสนาถึงความเป็นมนุษย์ได้จมบัตเน่งเพราะความที่เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นขึ้นมาด้วยอํานาจวาสนาเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับการปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนหลังขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคง สูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์และปัญญาของผู้เป็นเจ้าของเมื่อกําลังทรัพย์และกําลังปัญญามีมากเท่าไหร่บ้านเรือนก็มีความสวยงามและความแน่นหนามั่นคงมากเท่านั้นมีอํานาจวาสนาที่เป็นสมบัติภายในของเราพอมีความสามารถสนับสนุนเรามาให้ถึงโภมเป็นมนุษย์ที่ยากว่สูงสุดแล้ว ในความเป็นมนุษย์บัดนี้เราจะพยายามส่งเสริมเพิ่มเติมอำนาจวาสนาจากความเป็นมนุษย์นี้โดยถือเอาอัตภาพในความเป็นมนุษย์นี้เป็นต้นขุนสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้มีปริมาณมากขึ้น เมื่อมากจริงๆหรือว่ามากเต็มที่แล้วสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหรันท่านมีความเมตติ์เช่นไร ล, ลักษณะของจิตของท่านมีความเมตติ์ขนาดไหนมีความสุขแค่ใดสภาพของท่านกับสภาพของเราที่มีอำนาจวาสนาเต็มภูมิแล้วด้วยการสังสมจะกลายมาเป็นสภาพเช่นเดียวกัน เพราะไม่ปรากฏว่านิพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนิพานของสาวกทั้งหลายเป็นอย่างความสุขความเจริญและความมือจุตแห่งใจของพระพุทธเจ้าที่เต็มภูมิแล้วเป็นอย่างนั้นแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยอำนาจความขยันหมั่นเพียรจนถึงแดนแห่งความมือจุตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสภาพเหล่านี้จะเหมือนกัน และไม่อยู่ห่างไกลนอกไปจากร่างแห่งมนุษย์และจิตใจของเราที่ทำความรู้สึกอยู่นบัตรนี้เลยคัมมามัชฌิมาปฏิปทาท่านกล่าวไว้เบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิที่สุดเรียกับสัมมาสมาธินี้รวมลงอยู่ที่กายกับใจของเราผู้กำลังสั่งสมบาเพ็ญอยู่ใบัตนี้ ให้ทมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กลายเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกจากจิตใจของตนให้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำ ด, ำ ด, ำ ด, ำดำับลา ด, ำดำับจนถึงจุดที่พระพธธุทธเจ้าถึงไม่นอกจากการบําเพ็ญที่เราทั้งหลายได้พุทธาพยายามขันขวยอยู่นี้เลย สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราอย่างยิ่งก็คือการพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปทุกวันทุกวันจิตนอกเราก็ทราบว่าเป็นธุระจาเป็นจิตภายในก็โปรดได้ถือว่าเป็นจิตธุระจำเป็นเพื่อเราเช่นเดียวกับจิตทางนอกเมื่องานทั้งสองนี้มีความสม่าเสมอ กลมเกรียวไปในบุคคลคนนั้นแล้วคนนั้นจะมีความราบรื่นทั้งจิตนอกการนั่งเบื้องต้นอธิบายถึงจิตที่รับการอบรมเบื้องต้นและอธิบายถึ ง, มม ง, ลถงผลคือความสงบ ให้ท่านผูสนไก่ทั้งหลายทราบนี่ถ้าจะให้ชื่อเขเรียกว่าจิตมีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นเป็นความมั่นคงต่อตนเองจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้จะให้ชื่อว่าจิตมีความมั่นคงต่อตนเองก็ได้เกิดขึ้นจากการอบรม คือการบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในบทธรรมที่จะเป็นคุณสมบัติแก่ใ จ, ใจหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจชนมีการพิจารณาที่ให้ชื่อว่าปัญญานั้นก็เป็นกระแสของจิตเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะสอดส่อง ไตรตรองดูตามสภาวะทั้งภายนอกและภายในตามแต่สริยมิจฉัยจะชอบพิจารณาในส่วนใดส่วนภายในก็หมายถึงเรื่องตัวของเราเองให้จิตของเราได้ท่องเที่ยวลุกขมูลกรรมาฐานตามสกุลลกายนี่เป็นกรรมาฐานทั้งนั้นดูความเป็นมาของเรา นับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงวันนี้และใตรตรองดูสภาพนี้ที่จะเป็นไปในการข้างหน้าและปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาดูความเป็นอยู่ของธาดขันของเราคำว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเข้า ท่านจึงให้ชืี้ว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมน้ำถ้าหากว่ามีแต่น้ำธรรมดาจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ได้มีแต่ดินล้วนล้วจะเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ไม่ได้มีแต่ลมล้วนล้วนเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้มีแต่ไฟล้วนล้วนจะเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ต้องเรียกว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟมีถ้าไม่ได้ผสมเป็นเช่นนั้น เมื่อผสมส่วนกันเข้าไปแล้วก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นบเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรทานองนี้ให้ชื่อแปลกๆไปจากธาตุเดิมมีเมื่อเราจะพิจารณาส่วนร่างกายของเราให้เห็นส่วนผสมโดยแยกออกตามวิธีที่ขนันเราก็จะทราบชัดว่าส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนี่เป็นลมส่วนนั้นเป็นไฟ ส่วนนี้เป็นดินรวมกันเข้าแล้วจะเป็นอะไรอีกท่านให้ชื่อตามสมมุตินิยมว่าสัตว์ว่าบุคคลแต่ให้ชื่อตามหลักธรรมชาติของเขาแล้วก็คือดินน้ำลมไผนั่นเองมาได้ฟังเสียงของใครจะสมมุติไปทางไหนอีกนี่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุที่มีส่วนผสมอยู่ภายในกายของเราเองแม้จะผสมกันก็เป็นคณละส่วน คือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่เช่นนี้เมื่อผสมเข้าแล้วก็ต้องมีความแปรสภาพที่จะจากกันไปดินน้ำลมไฟเจริญขึ้นก็เรียกว่าเราเติบโตขึ้นแท้ที่จริงก็ดินน้ำลมไฟขายายตัวเท่านั้นเมื่อค่อยซุดโสมลงไปก็เรียกว่าค่อยแปรสภาพลงทางต่บแล้ถึงความแตกสลาย เมื่อแตกสลายลงไปแล้วดินน้ำลมไฟไม่ได้จีบหายแตกลงไปแล้วดินน้ำลมไฟก็อยู่ตามสภาพของตนนี่ส่วนทา่าที่ผสมนี้ก็ไม่มีความจีบหายเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทีนี้กิจผู้เป็นเจ้าของแห่งทาทีนี้ล่ะก็ไม่มีความจิบหายเหมือนกันเป็นเชือ อันหนึ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตจิตนี้จึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมเพราะจิตเป็นผู้ทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องออกมาจากใจดวงนี้เป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำกายว่าจะเป็นเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกชักจากกายออกจากใจ สั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั้วก็ต้องทำแต่ขั้นทำแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นผู้จะรับมรดกเก็บความดีความเั่วนี้ไว้กลายเป็นธาตุดีธาตุเจ้ต่อไปนอกจากใจตรงนี้เท่านั้นที่จะเก็บผลที่ตนของตนเป็นผู้สั่งให้ทำไว้ภายในตนเองแล้วก็นำ คืออันนี้ไปปรากฏตัวในรูปร่างข้างหน้าหรือว่าในภพหน้าจึงกลายเป็นจัตวเป็นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำอินโทรมลยเหล่านี้แล้วแต่กรรมมรรคที่ตนได้สั่งสมเอาไว้แล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นส่วนผสมอีกทีมคือเหตุกับผลค่อยสืกเนื่องกันไปแค่นี้พอส่วนนี้ยุติ ก็ต่อเนื่องกันใหม่ตั้งต้นใหม่เรียกว่าเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปมีเรียกว่าตายจิตที่ไม่มีความสลายภายในตัวเองก็ตั้งขึ้นใหม่มีท่านเรียกว่าเกิดตายมียเป็นความเปลี่ยนแปลงในภพในชาติจิตที่มีปุญงามความดีได้สั่งสมอบรมไวหากว่ายังไม่ ชื่อภายในก็ต้องเลื่อนระดับภูมิของตนเป็นภูมิสูงขึ้นไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็าตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาพิสมภานซึ่งสิงสถิตยอยู่ภายในใจย่อมแสดงตัวออกมาให้โลกเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความรู้ความฉลาด คนนั้นเป็นคนเมือมากวั ส, สนาดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนผสมของธาตุให้เห็นชัดเจนทุกๆส่วนแห่งธาตุโดยทางปัญญาแล้ว จิตยอมมีวันจะถอดถอนความกังวลคือถอดถอนตนออกจากดินบ้างจากน้ําบ้างจากลมบ้างจากไฟบ้างแี้ถอดถอนตนออกจากเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนั้นบ้างถอนตนออกจากสัญญาคือความจําได้หมายรือบ้างถอนตนออกจากสังขารคือความคิดความตรุงดีชั่วนั้นบ้าง ถอนตนออกจากวิญญาณที่รับรู้ในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสบ้างถอนเข้ามาไปนลำหนักเมื่อถอนตนออกมาจากสิงใจชื่อว่าใจได้ปล่อยความกังวลหรือภาระออกจากใจความหนักอกหนักใจที่ไปเครือบแขงอยู่กับตนซึ่งไปถือมั่นไว้นั้นก็จะกลายเป็นความเบาขึ้นมา นี่ยังเหลือแต่เชื้ออาการของเชื้อทั้งหมดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับต้นไม้กิงก้านสาขาไม่ว่ากิ่งเล็กกิก่งใหญ่ค่อยตัดค่อยฟันเข้ามาเป็นลำดับลาดับลากฟอยที่ไหนที่ยังไปใกล้หรือไกลตัดเข้ามาเป็นลาดับลำดับยังเหลือตั้งแต่ต้นกับรากแก้วเท่านั้น จนสามารถถอนเอาอได้ทั้งหลากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็หมดทางที่จะสืบต่อนี่ไม้ต้นนั้นต้องตายลักษณะของจิตที่ยังรากยังฐานออกไปสู่ส่วนผสมทั้งหลายพูดโดยเฉพาะก็คือส่วนาธาตุของเราที่มีอยู่กับตัวของเรา ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีตนแทรกหรือสิงอยู่ตามดินตามน้ำตามลมตามไฟตามเมทนาสัญญาสังขารบิญญาก็ถูกถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณากรรองแล้วเล่าภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และตนที่ไปสิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็หดตัวเข้ามา ไม่มีตนไม่มีเราอยู่กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยเรานั้นจะเหลืออยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่คือเชือ้อทนี้ปัญญาก็สามารถจะพิจารณาถึงเรื่องจิตที่เป็นตัวเราคือเอาเชื้อฝังเข้าไว้ภายในตนคลี่คลายดูเรื่องวความรู้อันนั้น ที่มีความสุขมีความสว่างสไสวมีสงาาส่าราศีมีความสุขที่แปลกประหลาดแฝงอยู่ภายในคลี่คลายดูให้เห็นชัดว่าสุขนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตนที่แท้จริงตนไม่มีอยู่ในความสุขอันนี้ความสว่างสไสวก็เป็นสภาพอันหนึ่ง หรือความองอาจกระหานก็เป็นสภาพอันหนึ่งแต่และอย่างละอย่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนผสมอีกเช่นเดียวกับส่วนแห่งธาตุทั้งหลายแต่เป็นส่วนผสมที่ละเอียดตองอาศัยปัญญาคลี่คลายดูอีกให้ชัดเจนนี่แหละที่เรียกว่าเชื้ออันห น, น่ห้มห่อจิตที่แท้จริงเอาไว้เมื่อปัญญาได้คลี่คลาย จนแทงทะลุไปหมดแยกตนออกจากความถูกแยกตนออกจากความเศร้าหมองผ่องใสยแยกตนออกจากความว่าเป็นจิตความมักเป็นเราอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอํานาจของปัญญาโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปตนก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ โดยเด็ดขัดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่หมดเชือ้อเพราะไม่มีตนแผงอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อตนไม่มีแฝงอยู่ในที่ใดๆความกังวลทั้งส่วนกว้างส่วนแคบก็หมดเพราะความกังวลมีอยู่ที่ไหนอุ ป, ปทานมีอยู่ที่ไหนนั่นคือเชือ้อเลือนนั่นคือกองทุก จะไม่เป็นทุกมากก็ต้องเป็นทุกน้อยตามเชื่อที่มีความหยาบแล ะ, ละเอียดต่างกันท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ท่านได้เอาพระองค์เข้าไปเครือกแฝงให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ในกับสภาพใดๆทั้งเป็นส่วนหยาบและส่วนกลางส่วนละเอียดถอนพระองค์ออกจาก ทั้งส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดโดยทิ้นิ่งนั่นจึงปรากฏเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราวว่าอยู่จนกระทั่งวัดนี้นี่คือผู้ไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆที่กลาวมานี้หมายถึงเรื่องปัญญาเมื่อได้ถูกบำเพ็ญหรือว่าได้ถูกอบรมอยู่เสมอ ปัญญามีวันจะแก้าสามารถได้ตามที่กล่าวมันแล้วสามารถจะถอดถอนจิตที่จมอยู่กับสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นอันเดียวกันกับจิตโดยไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริง เป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่เมื่อได้จิตได้รับการอบรมปัญญาได้รับการฝึกฝนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจะมีอำนาจวาสนาอย่างเต็มที่ถอดถอนตนของตนออกไดจากสิ่งทั้งปวงกลายเป็นความเมยสุดขึ้นมา ทำที่กล่าวนี้ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชและคราวาเพราะธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายความเพียรก็มีอยู่ด้วยกันสติปัญญาเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะปรากฏมีขึ้นเหมือนกัน และมีทางที่จะเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกันจนสามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันหมดโดยมานิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนักบวชคารวะาถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลแล้วนั้นเป็นประเภทหนึ่งผู้นั้นมีศีลห้าผู้นี้มีสิลแปดผู้นั้นมีศีลสิบ คูนั้นมีศีลสองน้อยยี่ิเจ็ดต้องปฏิบัติตามองคแห่งศีลของตนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งแต่ส่วนธรรมะแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้มีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งรับบวชแต่พรว่าเมื่อได้อบรมด้วยอำนาจของความเปลี่ยนแ้วก็มีทางที่จะเล็ดลอดเอาตัวพ้นไปได้ จากสิ่งที่เป็นค่าติดต่อจิตใจให้ถึงแดนแห่งพิมุติพระนิพานคำว่าพระนิพานที่เราเคยได้ยินจนจินหูก็จะมาปรากฏที่ดวงใจทีถ่ถอนตนออกจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงไม่ต้องสงสัย น, นั่นขอให้ ท่านนักใจบุญทั้งหลายโปรดเต้เ่มองดูตัวของเราสนใจทั้งด้านสมาธิคือพยายามทําจิตใจของคนให้มีความสมงบเกียวเห็ด่สมกับใจที่มีคุณค่าในภายในตัวของเราและพยายามสนใจพินิจพิจารณาทางด้านปัญญา แก้ไขตนให้พ้นระจากอุปรสรรคเป็นลำดับลำดับจนสามารถพ้นได้โดยเด็ดขาดความสุขอันสมบูรณ์นั้นเราจะไม่ไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะยังสมคุณดูก็ไม่มีใจใจจะไปทูนถามพระองค์ท่านเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความเบื่สุขของพระพุทธเจ้ากับของเราไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะ ต้องไปทูนถามพระองค์ท่านให้เสียเวลาทั้งพระองค์ท่านและเราสมกับทำที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้ว่าสันทิฏฐิโกต้องเป็นธรรมเห็นเองจากข้อปฏิบัติด้วยกันปัจจัดตังเวทิกะโบวินยุนท่านผู้รู้ถ้าไม่รู้ในความกินที่ปรากฏกับตนแล้วจะไปรู้ทีิฏฐนั้น เพราะพระพุทธเจ้าก็รู้เช่นนี้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศานาขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพใหงองค์สมเด็จพระภูมีพระผาจ้าวพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่าน ท, ทั้งหลายให้มีความสุขกายสมายใจและบาเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายปราศจากอีกิขัดขวาง เนนถึงแดนแห่งความพ้ทุกข์โดยตัวหนาตัดเธอ